ก็การวิจัยของอาจารย์รู้สุขละเอียดของเมื่อวานนะเออลืมได้ลงคือจับได้ละเอียดขึ้นแต่ว่าในขอแก้จุดเวทนานิดหนึ่งนะจุดที่ว่าอาจารย์เคี่ยวข้าโพดว่าความรู้สึกแข็งหรือหวานเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกแข็งเนี่ยมันเป็นรูปเป็นความรู้สึกเป็นรูปใช่ไหมความรู้สึกหวานเนี่ยจะเป็นนามอาจารย์พูดอย่างนี้หรือเปล่าจี้ ครับ <osas S 1> ผมเป็นคือคือเป็นความรู้สึกชอบนะชอบมันหวานใช่ความรู้สึกชอบนี่เป็นนามเป็นนามมารูปนะครับแต่ ว, ว่าความหวานก็ดีความแข็งก็ดียังเป็นรูปอยู่นะครับแต่ความรู้สึกว่าไม่ชอบมันแข็งแล้วก็ชอบมันหวานตรงนี้เป็นนามแต่เป็นนามมารูปอยู่นะมันยังไม่เป็น Zeus น, นามล้วนๆนามล้วนๆอยู่ตรงไหนเล็กเกิดไหมขณะที่เคี้ยวเขาพูดว่าแข็งแล้วก็หวานรู้สึกชอบใจเนี่ย มันมีรูปนามและก็นามรูปรูปนามคือรู้ว่าข้าวแข็งและหวานนะแล้วก็มีชอบใจเป็นนามรูปนามอยู่ตรงไหนนามลว้ลวนๆอยู่ตรงไหนตร <c oughs> ที่มัน ม, มีความรู้สึกตรงนั้นท่านมีไหมตรงนั้นท่านไปนมีรับรู้สึกแค่ แต่รู้ว่าแข็งแสตโต้ ว, ว่าแข็งนะเป็นน้ำล้วนๆหวานแสตโต้ ว, ว่าหวานเป็นน้ำล้วนๆแต่ที่นี้มีการรู้ว่าชอบใจอ๋อมันเป็นน้ำ ม, มารูปไปเป็นน้ำ ม, มารูปไปแล้วตรงนั้นนะ่ะนิดเดียวนะจากน้มเป็นน้ำ ม, มารูปอ่าแต่เมื่อย้อนดูอีกทีเอ้เราชอบใจแล้วนี่อันนี้น้มเกิดขึ้นทันทีเลยถึงแยกทันไหมาอาจารย์ <c oughs> จาร์สุการั <c oughs> อ่าตัวนี้ <laughs> นิดเดียวนะซี่วนี้เดียวนะระว่างรู้ว่าถ้ารู้ว่าแข็งโอ้มันแข็งรู้ว่าหวานโอ้มันหวานโอ้นี่ชอบใจโอ้โหนี้รู้สึกชอบใจตัวนี้แยกเป็นน้ำล้วนๆเลยนะตัวนี้สําคัญเดียวแล้วก็วันนี้พระอาจารย์แยกได้ละเอียดตรงที่ว่าอะไิริบทการเดินแล้วก็การปรับคือในการปรับที่ได้กล่าวเมื่อวานเนี่ย ถ้าหากว่าเรานั่งไป น, นานๆถ้าเราปวดมากๆเนี่ยแสดงว่าเราเกิดอาการเกร็งเพราะมีการกดทับนะวันนั้นหาความพอดีตรงนั้นอะที่ชเช้าเราพูดถึงเรื่องหาความพอดีใช่ไหมที่วันนี้บทเรียนวันนี้หาความพอดีระหว่างเวทนาพอดีก็คือถ้าเกร็งเกินไปไม่พอดีแต่ถ้าหากว่าสบายเกินไปก็ไม่พอดทีที่ปรับให้พอดีระหว่างความสบายไม่พอดีความสบายกับไม่สบายเนี่ยให้พอดี มันก็เกิดอาการเป็นกลางตรงนั้นนะเพราะฉนั้นถ้าหากเราปรับตรงนั้นได้นะถ้านั่งเราปวดที่ศูนย์นี่หมายความว่ามันไม่พดอดีแล้วแล้วก็ปวดต่อไปอาการก็จะเกล็งเรื่อยๆเพราะนึงจากเร า, เรานิ่งแต่อาการของอนิจจังไม่ใช่เป็นอาการที่นิ่งใช่เป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนตามนิดหน่อยเปลี่ยนพอพอมาให้เกิดเวทนาอานิจจังตรงนั้นมันจะกลายเป็นทุกข์ ทุกครั้งแต่พอเราปรับนิดเดียวอ น, นิจจังโดยนั่งกายเป็นตัวสติขึ้นมาตรงที่รู้จักปรับให้พอดีเพราะฉะนั้นการที่เราปรับนิดหน่อยนี้ไม่ไม่เป็นการเสียกิริยาแต่ในแง่ของนักสมถะล้วไม่ยอมนักสมถะปวดเป็นปวดตายเป็นตายสู้กันนีลักษณะนี้นนเป็นตึงแบบฤๅสีแล้วก็จะปรับเอาเวทนาตัวนั้นมาเป็นพลังในแบบปฏิหารแต่พอมาเป็นพุท ธ, ธะปรับหาสายกลางคือปรับตัวอนิจจังโดยนั้นให้ให้พอดีลีเล่นิดหนึ่งออกมา ขยับนี่เดียวก็จะความอานิจจังตรงนั้นก็จะคลายแทนที่จะไปเป็นทุกขังใช่ไหมทุกความหนักความน่วงความเจ็บตรงนั้นก็จะคลายทันทีก็จะเกิดความผ่อนคลายความผ่อนคลายเป็นความเป็นเหตุให้เกิดตัวเหตุกล้ให้เกิดปัญญาแต่ความตึงนี่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวโมหะตรงนี้เป็นตัวพอดีที่สําคัญนะอันนี้จุดที่วิเคราะห์อาจารย์สงกรานต์เล็กมานี่เอาไมาไปให้คุณอ นุ่มเตี้ยชื Four ่อจริงว่าไงนะสีบางอนฮะสีสีบางอนสีบางอนสีบางอนโอเคจะมนสีบางอนต่อ